หวายความเคารพมายังหลวงพ่อกรมพระจันทร์สุรินทร์พันเตเพื่อนสัตยมิกเจริญพรมายังไม่ชีแล้วก็นักปฏิบัติธรรมทุกท่านก็นั่งกันตามปกตินะ <c oughs> ใครที่รู้สึกม่วงมวงก็พยายามปลุกตัวเองให้ตื่นตื่นขึ้นหน่อยนะวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีนาที่16กรกฎาคม 2 5 5 8นะก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้มาทำวัดสดมนนะซึ่งเป็นกิจวัตรประจำวันนะของการที่เรามาอยู่วัดนะป่าสกุ โ, กโตระหว่างการเดินมาที่กุติจากกุติมาหอไตรเนี่ยนะหลายคนก็ใช้ไฟฉายนะเพราะว่าระหว่างทางอาจจะมี สัตว์ร้ายเช่นเป็นงูเป็นแมงป่องนะนี่เราก็ระมัดระวังนะเรียกว่าเป็นภัยที่ใกล้ตัวนะที่เราก็พึงระมัดระวังทีนี้ถ้าเราติดตามข่าวสารในปัจจุบันนะก็จะพบว่าก็มีภัยหลายอย่างนะที่เป็นเรื่องที่พูดถึงกันนะอย่างเช่นความแห้งแรงนะที่ เกิดขึ้นจากสภาพอากาศนะเกิดจากการที่คนเราไปทำลายสิ่งแวดล้อมนะแล้วก็คาดคะเนกันถึงว่าอาจจะแล้งกันจนถึงสิ้นปนะีนี่ก็เป็นสิ่งที่เป็นภยัยนะที่เกิดจากสภาพอากาศอีกอันหนึ่งที่เราคงได้ยินกันอยู่ก็คือโรค่าภายัยนะก็คือโรคภยัยแค่เจ็บ ดยเฉพะช่วงนี้ฝนตกแล้วก็มียุงชุมทีเดียวนะก็มีแม่ชีบางรูปก็เป็นไข้เลือดออกเอยู่ที่นี่เราก็คงต้องระมัดระวังนะโดยเฉพาะช่วงกลางวันนะยุงก็ออกมาหากินแล้วก็อาจจะทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้นะโดยเฉพาะไข้เลือดออกนะเท่าที่ทราบก็มีเสียชีวิตไปแล้วหนึ่งรายนะในประเทศไทยนะ แต่ว่าในชายภูมิยังไม่มี น, น, นี่ก็เป็นภัยที่เรียกว่าเป็นโรคาภายัยเมื่อว่าไปแล้วเนี่ยนะในชีวิตของเราเราจะต้องพบกับภัยต่างๆมากมายส่วนใหญ่ที่เราเห็นได้ชัดๆก็คือภัยจากภายนอกอาจจะเป็นโรคาภายัยเป็นอุบัติภยัย เป็นวาแต่ภัยเป็นอุทกกับภัยภัยเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เรามองเห็นได้ง่ายเมื่อเรารู้เราก็จะเตรียมเนื้อเตรียมตัวแล้วก็ระมัดระวังอย่างกรณีของภัยแล้งเนี่ยเรารู้แล้วที่วัดป่าสุโกโตก็ทราบตั้งแต่ปีที่แล้วเราก็เตรียมขุดเจาะน้าบาดาลเพื่ อ, อรองรับภัยแล้งที่จะเกิดขึ้น คนในเมืองใหญ่ก็มีการเตรียมในการเก็บสำรองน้ำเพื่อไว้ใช้ในยามที่มันขาดแคลนขึ้นมาและอย่างเช่นภัยที่ปัจจุบันนี้โดยเฉพาะคนทำงานจะ <c oughs> วิตกกันมากก็คือภัยเศรษฐกิจตอนนี้ก็การจ้างงานก็มีลดลงมีการปลดคนงานออกซึ่งตรงนี้ก็ทำให้เกิดความเดือดร้อนไปทุกหย่อมย่า ภัยจากโจร น, นะเขาเรียกว่าโจรละภัยนะตอนนี้ภัยจากโจรก็ชุกชุมพอสมควรนะในวัดเราเราก็ต้องระมัดระวังนะโดยเฉพาะของมีค่านะโดยเฉพาะญาติโยมที่มาปฏิบัติคดีพระก็ดีนะเราก็ไม่รู้เพราะว่าวัดเราเป็นวัดที่เปิดแต่บางทีใครก็ไม่รู้เข้ามานะลักขโมย จะเป็นเงินทองก็ดีเข้าของเครื่องใช้ก็ดีอันนี้เรียกว่าโจละภัยภัยต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากภายนอกแต่มีภัยอันหนึ่งที่บางทีเรามองไม่ค่อยเห็นหรือบางทีเราก็ไม่ได้ความสำคัญกับมันนะก็คือภัยจากความไม่รู้ในชีวิตหรือไม่รู้ความจริงของชีวิตนะตรงนี้จะพูดแล้วมันาจจะ นึกไม่ออกนะอย่างที่เราสาธยายมนต์กันไปตะกีนี้นะความทุกข์นะที่เกิดขึ้นภายในจิตในใจของเราความไม่ได้สมดังปรารถนาก็ดีนะความอยากนะที่มันเรียกว่ามาบังคับเรานะให้เราทำให้นั่นทำให้นี่ความยึดติดนะในสิ่งต่างๆจะเป็น ยึดติดในข้าวของเครื่องใช้ก็ดียึดติดในทรัพย์สินก็ดียึดติดในความคิดความเห็นก็ดีนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเป็นภัยที่ที่น่ากลัวแล้วก็เป็นภัยที่อยู่ใกล้ตัวมากๆถ้าเราไม่รู้เท่าทันภัยตรงนี้เนี่ยนะเราก็จะทุกขนะ์เราก็จะเดือดร้อนเราก็จะไม่เป็นสุขนะ ความไม่เป็นสุขนะั้นมันแสดงออกในลักษณะของความหนักอกหนักใจความไม่สบายใจมือมีเรื่องมากระทบกระเทือนอาจจะเป็นคําพูดก็ดีอาจจะเป็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้ น, นอย่างจะเป็นภัยตามธรรมชาติภัยเศรษฐกิจต่างๆเหล่านี้หรือแม้แต่โครคภัยไข้เจ็บถ้าเราไม่เตรียมเนื้อเติมตัวหรือเราไม่รู้เท่าทันจิตใจของเราเนี่ยมันก็จะทําให้เรา มีความทุกข์ทับทวีขึ้นไปนะซึ่งความทุกข์อันนี้เนี่ยเป็นความทุกข์ที่เราสามารถแก้ไขไดนะ้เป็นความทุกข์ที่เราไม่ต้องไปอาศัยคนอื่นภายภายนอกนี่มันต้องอาศัยหน่วยงานรัฐบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือบางทีก็ต้องอาศัยความสามัคคีของชุมชนนะที่จะช่วยเหลือกันแต่ภัยที่เกิดจากความทุกข์ ที่เกิดขึ้นภายในจิตในใจความไม่รู้เท่าทันความจริงของชีวิตนะตรงนี้เนี่ยเป็นภัยที่เราสามารถแก้ไขด้วยตัวเราเองภัยที่เราไม่รู้เท่าทันนะความจริงของชีวิตนั้นนะเกิดขึ้นจากการที่เราไม่เห็นความจริงนะความจริงอันแรกก็คือความทุกขนะ์ความทุกข์ในจิตในใจที่เกิดขึ้น นะหลายคนก็มองว่าเออมันก็เป็นธรรมดานะมันเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายไปนะบางทีเราเครียดเราเบื่อเราก็ไปหาสิ่งข้างนอกนะมากลบเกลื่อนปลนเปลเรไปนะอย่างเวลาเราเครียดเราก็ไปเที่ยวนะไปดูหนังฟังเพลงนะหรือบางคนก็เข้าไปในโลกสื่อสารนะอย่างเช่นอินเทอร์เน็ตก็ดีนะดู หนังดูละครนะเพื่อให้มันลืมๆไปนะซึ่งตรงเนี้จริงๆแล้วความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเขามาแสดงให้เราดนะูแต่เราไม่ดูเราหนีแล้วเราก็ไม่พยายามที่จะไปเรียนรู้เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เลยเป็นจุดบอดนะทำให้เราไม่มองมองไม่เห็นถึงภัยที่เกิดขึ้นทีนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะการที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมัน เราจะทำยังไงที่ใจเห็นการเห็นทุกขนะ์ที่เกิดขึ้นในจิตในใจเนี่ยมันจะใช้ตาเนื้อไม่ได้มันจะใช้ความคิดนึกเอาก็ไม่ไดนะ้แต่ว่าเราจะต้องอาศัยสิ่งที่เราเรียกว่าความรู้สึกตัวนะหรือสติสัมปชัญญะเป็นตาใจนะเป็นตาที่มีอยู่อีกตาหนึ่งในตัวเราตานี้ถ้าไม่ถูกปลุกให้เกิดขึ้นหรือไม่ทาให้เปิดขึ้น เราก็จะมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นเราก็จะเรียกว่าอยู่ในความทุกข์ระทมความโศกเศร้านะจมไปกับอารมณ์เหล่านี้จมไปกับความคลิบลุงแต่งเหล่านี้ถอนตัวออกมาไม่ไดนะ้ภัยอันนี้เนี่ยก็เรียกว่าภัยวัฏสงสารคำ ว, ว่าวัฏสงสารคือมันไม่จบไม่สิน้นะบางทีก็เกิดแล้วเกิดอีกนะเรียกว่าไม่เข็ดไม่จำไม่หลาบ นะบางทีตรงนี้ก็ทําให้เราเนี่ยจมอยู่ในความทุกข์ความโศกนะความดีใจเสียใจนะตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าเราไม่รู้เราไม่เห็นเราไม่เคยสนใจการที่เรามาวัดป่าสุกโตเนี่ยนะก็เชื่อว่าหลายคนนะก็เริ่มเห็นภผ่ตรงนี้ชีวิตของเราเนี่ยทำไมบ้านก็มีงานก็มี นะเงินก็มีอาชีพก็มีมันน่าจะมีความสุขแต่บางทีมันก็ไม่มีความสุขนะมันยังรู้สึกขาดอะไรบางอย่างนะหรือบางทีมีเรื่องมากระทบกระเทือนใจทใาทให้เราโกรธทาใหเราโมโหนะทั้งทั้งที่รู้นะโมโหไม่ดีโกรธไม่ดีแต่มันก็ห้ามใจไม่ได้อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นภัยที่มันเกิดขึ้นใกล้ตัวมากๆใกล้ตัวใกล้ใจ นะผู้ที่จะเห็นภัยอันนี้ได้ก็คือผู้ที่ใช้สติผู้ที่เจริญสตนะิผู้ที่ได้มาเรียนรูนะ้ด้วยการใช้ความรู้สึกตัวนี้เองความรู้สึกตัวนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวเราแต่ที่มีอยู่เนี่ยมันอาจจะไม่พอนะก็จําเป็นที่เราจะต้องมาฝึกนะให้มันไวขึ้นให้มันตื่นขึ้นนะ ที่มันมีเนี่ยมันเป็นความรู้สึกตัวตามสามัญธรรมดาสัตว์ก็มีคนทุกคนก็มีนะแต่ว่า <c oughs> ที่เรามาเนี่ยนะเพื่อที่จะฝึกความรู้สึกตัวให้มันวัยขึ้นให้มันฉับวขึ้นนะซึ่งรูปแบบของวัดป่าสกโตก็คือการเคลื่อนไหวนะซึ่งจะแตกต่างไปจากการฝึกที่หลายคนเคยได้สัมผัสมานะก็คือการนั่งหลับตาการใช้ลหมหายใจ หรือมีคาบริกรรมนะซึ่งทุกวิธีเนี่ยนะถูกหมดเลยนะไม่ผิดนะแล้วก็มีจุดเด่นจุดด้อยแตกต่างกันออกไปแต่การมาทำความรู้สึกตัวด้วยการเคลื่อนไหวเนี่ยมันเป็นวิธีการหนึ่งนะที่เราจะใช้ในการที่ปลุกความรู้สึกตัวเนี่ยที่มีอยู่แล้วให้มันตื่นให้มันวัยขึ้นตื่นขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้เห็นความจริงของชีวิตนะที่ว่าชีวิตของเราเนี่ย มันมีความทุกข์และความทุกข์ก็มีความดับทุกข์ด้วยไม่ใช่มีแต่ทุกข์อย่างเดียวเราจะสังเกตได้ว่าถ้าความรู้สึกตัวเรามันตื่นขึ้นเนี่ยเราจะเริ่มเห็นเลยจากความทุกข์ง่ายๆเช่นความโปวดความเมื่อยความหิวความกระหายซึ่งอันนี้เป็นความทุกข์ทางกายเราแก้ไขโดยการบรรเทาบำบัด หิวเราก็กินกายแล้วก็ดื่มปวดเมื่อยเราปรับเปลี่ยนได้นะหรือว่าเย็นร้อนนะเราก็ปรับเปลี่ยนได้ซึ่งเป็นเรื่องของความทุกข์ทางกายความทุกข์ทางกายเนี่ยต้องอาศัยออสิ่งแวดล้อมอาศัยเครื่องนุ่งห่มอาศัยปัจจัยภายนอกเข้ามาช่วยแต่การหนึ่งคือความทุกข์ทางใจความทุกข์ทางใจก็คือการไม่ได้อะไรดังใจแล้วเรารู้สึกไม่สบายใจ นะปารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกขนะ์หรือว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมากระทบกระเทือนใจทําให้เราไม่สบายใจนะหรือความอยากนะที่มันอยากไม่จบไม่สิ้นการเสพติดจะเป็นเหล้าบุหรี่กาแฟหรือว่ายาเสพติดต่างๆก็ตามอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยเรียกว่าเป็นทุกข์นะะ กับสิ่ ง, งต่างๆเหล่านี้การมาอยู่วัดป่าสุขตัตโตเนี่ยนะฮะสหรับคนที่ติดบุหรี่เนี่ย้งพยายามงดนะก็มีเห็นมีบางคนนะอยู่ที่ศารไกลนะก็ยังสูบบุหรี่อยู่นะซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะมาอยู่ที่วัดป่าสุขตัตโตอากาศบริสุทธิ์แต่เราก็ยังยังอดไม่ได้นะนี่ก็เป็นเป็นความทุกข์ทางใจอันหนึง่งแต่น้อยคนนะที่เห็นว่า น, นี่มันเป็นความทุกข์มันเป็นภยัย นะเพราะเราเสพติดเสร็จแล้วนะเรียกว่ามันกลมกลืนไปกับกิเลสตัวนี้เสียแล้วนะก็เป็นเรื่องที่แก้ไขายากหน่อยนะต่อเมื่อใดก็ตามที่เรามาเจริญสติเราจะเห็นนะแล้วเราก็จะถอนตัวออกมาความทุกข์ที่เกิดขึ้นเกิดจากการที่โดเฉพาะความทุกข์ทางใจเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่เราไม่รู้เท่าทันนะความคิดปรุงแต่งก็ดีอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นก็ดี นะแล้วเราก็เข้าไปเป็นกับมันนะเช่นเรามีความสุขเราก็พอใจใจฟนะูพอเรามีความทุกข์ไม่พอใจเราก็ใจแฟบนะเรียกว่าใจฟูฟูแฟบแอยู่อย่างนี้แหละแต่ผู้ที่เจริญสติผู้ที่เห็นนะการเกิดขึ้นนะของความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีเขาใจเห็นมันนะความทุกข์เกิด ก็เป็นธรรมดาความทุกข์เกิดก็เป็นธรรมดาไม่ได้เข้าไปสุขไม่ได้เข้าไปทุกข์ถอนตัวออกมาเป็นผู้ดูใจก็เป็นปกติธรรมดาธรรมดาเป็นใจเฉยๆซึ่งอันนี้เป็นธรรมชาติดั้งเดิมของใจตั้งแต่ไหนแต่ไรมาการที่เราได้เจริญสติเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นความไม่สุขไม่ทุกข์เห็นใจปกตินี่แหละตรงนี้ นะเป็นการที่เราเห็นภัยแล้วเราก็ถอนตัวออกมาเราไม่เข้าไปอยู่ในอาการต่างๆเหล่านั้นอันนี้ก็เป็นการที่เราจะออกมาจากภัยนะที่เกิดขึ้นภัยในจิตในใจของเราภัยตรงนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทุกเวลานาทีไม่เหมือนกับภัยข้างนอกซึ่งบางทีบางปีก็เกิดบางปีก็ไม่เกิดบางวันก็เกิดบางเดือนก็เกิดหรือบางทีมันก็ไม่เกิดแต่ภัยที่เกิดจากการที่เราไม่รู้ เท่าทันความคิดปรุงแต่งคดีไม่รู้ในอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นก็ดีตรงนี้มันเกิดได้บ่อยๆถ้าเราไม่รู้สึกตัวหรือเราลืมเนื้อลืมตัวเราเพลิดเพลินไปกับสิ่งแวดล้อมที่มาชวนให้เราหลงไหลอาจจะเป็นบทเพลงก็ดีสิ่งสนุกสนานลื่นเริงก็ดีข่าวสารต่างๆก็ดี ถ้าเราเสพสิ่งเหล่านี้โดยที่ไม่ระมัดระวังตัวนะเราก็จะหลงไปกับข่าวสารหลงไปกับเสียงเพลงนะทำให้เราดีใจเสียใจทําให้เราพอใจไม่พอใจเรียกว่าชีวิตของเราเนี่ยก็เวียนวนอยู่กับสิ่งเหล่านี้ยเขาเรียกว่าเป็นวัฏฏสงสารก็คือไม่จบไม่สิน้นเะดฟังเพลงนี้ดีเดี๋ยวเบื่อก็ไปหาเพลงใหม่เปลี่ยนไปเรื่อยหนังเรื่องนี้ดี ก็เปลี่ยนหนังเรื่องใหม่กินอาานี้ดีอร่อยดีกินไปนานๆมันเบื่อก็ต้องไปหาอาหารใหม่ๆตรงนี้เรียกว่าชีวิตมันก็เหน็ดเหนื่อยกับการที่จะต้องวิ่งแสวงหาสิ่งที่มาปลนเปล่ากับความอยากที่ไม่มีที่สิ้นสุดที่เรียกว่าเป็นตันหานั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นภัยร้ายที่น่ากลัวที่เราพึงระมัดระวัง ทีนี้ภัยร้ายนี่เราสามารถจะออกได้นะโดยการที่เรามาเาจเริญสตินะจเจริญปัญญานะอย่างที่เรามาใช้ชีวิตกันอยู่ที่วัดป่าสุโกโตเนี่ยนะการที่เรามาจเจริญสติจเจริญปัญญาก็เพื่อหเห็นภัยเหล่านี้แล้วก็เห็นทางออกด้วยไม่ใช่เห็นแต่ภยัยความทุกข์หรือภัยที่เกิดขึ้นจากการที่เรายึดติดในความคิดในรสอร่อยของ โลกนะตรงนี้ถ้าเราเห็นมันชัดๆมันจะเกิดความเบื่อความหน่ายคลายออกปล่อยวางนะซึ่งการปล่อยวางมันจะเกิดขึ้นจากการที่เราเห็นแล้วเห็นอีกจนมันเอื่มละอาไม่ใช่เกิดจากการนึกคิดเอาอย่างเราสวดมนต์สาธยายมนต์บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเนาะเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้คือเราจำนะแต่มันก็ช่วยได้นะไม่ใช่ว่าช่วยไม่ได้บางทีเรานึกคิดขึ้นมาแล้ว เออมันทุกอย่างมันก็ไม่แน่ไม่นอนนะแล้วก็คิดไดอันนี้ก็เป็นเป็นวิธีการที่จะแก้ไขได้เป็นชั่วขณะแต่ถ้าเรา <c oughs> จเจริญสติบ่อยๆเห็นมันซ้ำแล้วซ้ำอีกเห็นความไม่ไม่เที่ยงนะด้วยความรู้สึกตัวด้วยปัญญาจริงๆนะไม่ใช่นึกคิดเอานะมันก็จะจดจําแล้วมันก็จะเกิดความเอื่มนะอามันจะปล่อยวางไปเองซึ่งตรงนี้ถ้าเราเห็นแล้วเห็นอีกเนี่ย มันจ ะ, ะเป็นการปล่อยวางที่ทยั่งยืนนะแล้วก็สามารถที่จะติดเนื้อติดตัวเราได้เพราะนั้นการการที่เราเห็นภัยเหล่านี้แล้วเราก็พยายามที่จะหาทางออกนะจากภัยเหล่านี้เนี่ยนะเป็นสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้นะจากการที่เรามาใช้ชีวิตที่วัดป่าสุกโตเพราะฉะนั้นจะเป็นคนใหม่ก็ดีที่เตรียมตัวบวชก็ดีพระใหม่ก็ดี ญาติโยมที่มาใหม่ก็ดีขอให้เราได้ทำเรื่องเนี้นะก็คือการเจริญสติมองเห็นภัยที่เกิดขึ้นภายในจิตในใจนะแล้วก็หาทางออกจะเป็นคนเก่าก็เหมือนกันเนาะคนเก่าเนี่ยนะได้ผ่านได้เห็นแล้วละภัยเหล่านี้นะได้ฝึกฝนมาพอสมควรแต่อย่าเพิ่งประมาทอย่าไปคิดว่าเรารู้แล้ว เราเข้าใจแล้วหมดแล้วเราอยู่ที่วัดป่าสุโกโตเนี่ยสภาพแวดล้อมมันมันไม่ค่อยมีสิ่งที่มามากระทบกระเทือนใจมากเราก็รู้สึกสบายสบายบางคนอาจารย์รู้สึกเออมีความสุขดีสบายดีนะแล้วก็อาจจะย่อหย่อนนะหรือว่าปล่อยสบายๆนะแต่พอเราออกไปข้างนอกไปในเมืองไปใช้ชีวิตปกติเนี่ยมันมีเรื่องกระทบกระเทือนใจเนี่ย นะเรายัางไม่สามารถที่จะตั้งรับได้หรื อ, อยังไม่สามารถที่จะปล่อยวางได้อันนั้นเป็นตัวที่จะบอกว่าสิ่งที่เราได้ฝึกไปเนะี่ยมันใช้ได้หรือไม่ได้เพราะฉะนั้น <c oughs> การอยู่ในที่ที่สบายก็อย่าประมาทนะให้เราฝึกฝนไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆนะแล้วสิ่งที่จะบอกว่ามันใช้ได้หรือไม่ได้ก็คือแม้แต่เราอยู่วัดป่าสุกโตเนะี่ยบางทีมันก็มีเรื่องมากระทบกระเทือนใจบ้าง นะตรงนี้ก็ให้เราสังเกตดูให้ดีหรือการที่เราไปธุระในเมืองให้สังเกตดูนะมันมีเรื่องมากระทบกระเทือนใจเราแล้วเราปล่อยวางได้ไหมเราวางใจได้ไหมอันนั้นจะเป็นสิ่งที่จะบอกนะเป็นสัญญาณไม่มีใครบอกได้นาะนอกจากตัวเราเองเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะก็อยากจ ะ, ะชักชวนเชิญชวนพวกเราเนาะให้มาดูภัย ที่เกิดขึ้นภายในจิตในใจของเราเครื่องมือสาคัญก็คือการก็คือความรู้สึกตัวนั่นเองนะหรือสติสัมปชัญญะนะการที่เรามาฝึกก็เพื่อหเห็นภัยนี้แล้วก็เห็นเหตุแห่งภยัยนะก็คือความไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วก็หาทางออกด้วยการกลับมารู้เนื้อรู้ตัวบ่อยๆนะโดยเฉพาะการรู้เนื้อรู้ตัวที่กายนะตรงนี้ให้ใหชัดๆนะตรงนี้ แต่ว่าก็อย่างว่านะบางทีทำไปมันเครียดมันตึงก็พยายามผ่อนคลายบ้างนะก็ทำให้มันพอเห ม, มาะพอดีไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปนะไม่เพ่งเกินไปไม่เผลอเกินไปอันนี้ก็ให้สังเกตดูแล้วก็สิ่งที่ทำเนี่ยเราอย่าไปจำกัดแค่ทำในรูปแบบนะแม้แต่เราใช้ชีวิตประจำวันก็พยายามกลับมารู้สึกตัวกับกิจวัตรประจาวันจะทาครัวก็ดี จะเก็บกวาดใบไม้ก็ดีทาความสะอาดกุฏิก็ดีอาบน้าแปลงฟันกินข้าวให้มีความรู้สึกตัวเข้าไปนะตรงนี้ก็จะทำให้เราได้พ้นออกจากภัยณนะที่เป็นภัยวัตสงสารเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นวันแล้ววันเล่าแล้วเกิดขึ้นได้บ่อยๆถ้าเราไม่รู้เท่าทาันตรงนี้เป็นภัยร้ายใกล้ตัวณนะที่เรา น่าจะได้มาเห็นมันแล้วก็ออกจากภัยเหล่านี้คําว่าภิกษุเนี่คือผู้เห็นภัยนะภัยในที่นี้ก็คือภัยวัตถสงสารนี่เองเป็นภัยร้ายใกล้ตัวที่เราเพึงระมัดระวังแล้วก็แก้ไขนะเพื่อที่ใย้ยพ้นภัยเหล่านี้เพราะนั้นที่เราสาธยายมนกันไปก็ดีนะส่วนใหญ่เราก็มีความมุ่งหวังนาะที่จะพ้นจากภัยจากความทุกข์ ไปถึงความสุขเกษมสารก็คื อ, อพระนิพพา น, นพ้นไปจากความทุกข์ความทุกข์เราอาจจะพ้นได้ไม่หมดทั้งหมดเลยแต่เราเริ่มพ้นทีละนิดทีละหน่อยเปรียบเทียบดูก่อนที่เราจะมาอยู่วัดป่าสุกโตเราทุกข์สมมติว่าน้ำหนัก10กิโลเรามาอยู่ที่นี่เรามาปฏิบัติแล้วมันยังหนัก10กิโลไหมความหนักอกหนักใจมันเบาใจลงไปไหม นะ น, นี่ก็จะเป็นพัฒนาการที่เราจะสังเกตได้นะบางคนบอกทาแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยนะนนี้ก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะยังสติหรือตาของเราอาจจะยังไม่คมชัดอาจจะยังมองไม่ชัดพอเพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องอาศัยความเพียรความพยายามความศรัทธานาะที่จะทำให้ต่อเนื่องต่อไปนะนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากให้พิจารณานะเพื่อนาไปประพฤติปฏิบัต นะเพื่อออกจากภัยจากวัฏสงสารนะซึ่งเป็นความทุกขนะ์ที่มีอยู่ในจิตในใจของเรานะในท้ายที่สุดนี้ก็ขออ้างอิงกับคุณของพระศีรัตนไตรนะก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะก็คือสี่สัมปชัญญะที่มีอยู่ในตัวเราพระธรรมคือเสด็จธรรมความจริงที่แสดงที่ปรากฏอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน และประสงค์ก็คือการประพฤติปฏิบัตินะโดยเฉพาะการเจริญสตินะที่เราทํากันอยูนะ่ด้วยความศรัทธาความเพียรพยายามความอมดทนนะก็ขอให้ทุกท่านนะได้ประสบพบกับความสุขเกษมสารคือใจที่เป็นปกติเป็นนิพพานชั่วคราวหรือ น, นิพพานในที่สุดนะซึ่งเป็นความหวังของชาวพุทธโดยทั่วหน้ากันในปัจจุบันนี้เทิดเจริญพร